ยมบาลมีจริงหรือไม่ตามความเชื่อถือของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเราเชื่อกันอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำบาปตายไปแล้วจะต้องไปพบกับย ม, มาบาลหรือบางทีลูกน้องของย ม, มาบาลก็มาคอยรอรับตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายพอตายลูกน้องของย ม, มาบาลก็จะพาตัวไปเมืองนอโกทันที และอีกอย่างหนึ่งเคยมีเรื่องเล่ากันในทํานองว่าบางคนตายไปแล้วไปพบย ม, มาบาลได้เห็นสภาพในเมืองนรกแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ไปเห็นมาจากความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและจากคําบอกเล่าของคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาจิตรกรจึงได้เขียนภาพไว้ให้เราลายเห็นว่า รูปร่างของย ม, มาบาล น, นั้นอ้วนใหญ่ท้องพลุยศี ส, สระล้านในตาเถมึงถึงไม่สวมเสือ้อแต่นุ่งผ้ามือถือขวานนั่งอยู่บนบันลังใต้ต้นไม้และข้างๆย ม, มาบาลจะมีลูกน้องคอยตรวจบัญชีว่าใครจะตายเมื่อไหร่และทำบาปกรรมอะไรมาบ้างอะไรทำนองนี้เป็นต้นข้าพระเจ้าได้เอาเรื่องนี้ไปปา ร, รบ ให้พ่อฤศีสรายกัสฟังซึ่งเป็นโอปปาติกะองค์สำคัญที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณติดต่อได้เพื่อต้องการอยากจะทราบว่าเรื่องจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่ท่านได้เล่าให้ฟังว่ายมมาบาลมีอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งได้แก่ยมมาบาลที่เกิดจากจินตนาการหรือยมมาบาลที่เป็นมโนภาพของคนที่เห็นซึ่งไม่มีตัวจริง และอีกอย่างหนึ่งคือยมบาลที่มีตัวจริงสำหรับยมบาลที่เป็นจินตนาการนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของถิ่นนั้นๆหรือของประเทศนั้นๆเช่นเราจะเห็นว่ายมบาลที่คนไทยเขียนกับยมบาลที่คนจีนเขียนหรือที่ชาวอินเดียเขียนรูปร่างไม่เหมือนกัน อันนี้ไม่ควรจะถือเอามาเป็นสาระส่วนย ม, มาบาลที่เป็นมโนภาพซึ่งอาจจะมีบางคนเห็นมาจริงๆดังเช่นในกรณีที่บางคนตายไปแล้วไปเห็นย ม, มาบาลและกลับมาเล่าให้ฟังหรือบางคนอาจจะเห็นในเวลาเข้าสมาธิหรือบางคนอาจจะเห็นในเวลาไม่สบายโดยเฉพาะในเวลาที่อุณหภูมิในร่างกายสูงถึงขนาดเพอ้อคลั่งหรือเกือบจะเพอ้อคลั่งนั้น แม้ในกรณีอย่างนี้ก็ยอมจะแตกต่างกันออกไปตามความยึดถือที่ฝังอยู่ในสันดานท่านให้ข้อสังเกตว่ายมบาลที่เกิดจากจินตนาการนั้นคนที่เขียนภาพออกมาไม่ได้เห็นจริงๆเพียงแต่นึกวาดภาพในใจแล้วก็เห็นเป็นภาพลางๆอยู่ในความรู้สึกส่วนยมบาลที่เป็นมโนภาพนั้นบางคนที่เห็น อาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนเสมือนหนึ่งเห็นด้วยตาแล้วก็ยึดถือว่าเป็นของจริงย ม, มาบาลทั้งสองประเภทนี้ถือเอาเป็นสาระไม่ได้และโดยเฉพาะย ม, มาบาลที่เป็นมโนภาพนี้ต้องระวังให้มากเพราะคนที่เห็นนั้นส่วนมากเขาจะเชื่อสนิทว่าเป็นของจริงแต่อย่างไรก็ตามขอให้สังเกตว่าถ้าย ม, มาบาลที่เห็น เป็นมโนภาพซึ่งไม่ใช่ของจริงเราก็จะพบว่าคนที่เห็นถ้ามีความเชื่อถือมีวัฒนธรรมหรือประเพณีแตกต่างกันย ม, มาบาลที่คนเหล่านี้เห็นจะไม่เหมือนกันเลยส่วนย ม, มาบาลอีกประเภทหนึ่งเป็นย ม, มาบาลจริงๆซึ่งถ้าใครได้ไปเห็นภาพที่เห็นจะตรงเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนภาษาไหน แต่ย ม, มาบาลตัวจริงที่ว่านี้ไม่ใช่มีคนเดียวย ม, มาบาล น, นั้นมีทุกภูมิกล่าวคือในนรกก็มีในสวรรค์ก็มีแต่ในสวรรค์ไม่นิยมเรียกว่าเป็นย ม, มาบาลเรียกเป็นชื่ออื่นและในนรกซึ่งแยกประเภทย่อยออกไปอีกหลายภูมิหรือหลายขุมนั้นแต่ละภูมิหรือแต่ละขุม ก็มีย ม, มาบาลประจำภูมินั้นๆในสวรรค์ก็เหมือนกันการที่บุคคลบางคนเมื่อตายลงแล้วจะต้องมีโอปปาติกะซึ่งเป็นลูกน้องของย ม, มาบาลมาคอยรับนั้นความจริงมีอยู่ว่าคนเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่จิตใจอยู่ในภูมิไหนเมื่อตายลงพวกโอปปาติกะซึ่งมีระดับจิตใจอย่างเดียวกับเรา เขาก็จะรู้โดยสัญชาตญาณโดยเฉพาะคือโอปปปาติกะที่เป็นหัวหน้าในภูมินั้นครั้นแล้วเขาก็จะส่งลูกน้องของเขามาคอยรับคนที่ตายจากโลกมนุษย์ซึ่งมีระดับจิตใจอย่างเดียวกับเขาให้ไปอยู่ในภูมิของเขาซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่ ว, วไปทุกภูมิแต่ทั้งนี้ก็อย่าได้คิดว่าคนที่ตาย จะต้องมีโอปปาติกะมาคอยรับเสมอไปผู้ที่ไปโดยลําพังตัวเองก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันซึ่งหมายความว่าพอสิ้นใจลงระดับจิตใจของตัวเองอยู่ในภูมิไหนก็จะไปเกิดในภูมินั้นทันทีท่านบอกว่าหลักใหญ่ๆมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปไว้มากซึ่งจะต้องตกนรกนั้น ก็จะมีพวกโอปปปาติกะในนรกมาคอยรับให้ไปพบกับโอปปปาติกะที่เป็นหัวหน้าในภูมินั้นๆและแล้วเขาก็จะได้รับความทรมานหรือได้รับความยุ่งยากลำบากต่างๆเป็นไปตามสภาพของภูมินั้นคล้ายกับว่าในเมื่อเรามีนิสัยเป็นโจรจากนิสัยอันนี้ก็จะผลักให้เราไปอยู่กับพวกโจร ครั้นแล้วก็จะได้รับความยุ่งยากอะไรต่างๆเป็นไปตามสภาพที่โจรประเภทนั้นจะพึงได้รับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นคนที่มีนิสัยสันดานชอบเอาเปรียบชอบเบียดเบียนคนอื่นมีนิสัยเห็นแก่ตัวเป็นอันพานเมื่อตายไปแล้วเราก็จะไปอยู่ในภูมิของพวกโอปปาติกะชนิดที่มีนิสัยสันดานอย่างเดียวกับเรา และในเมื่อโอปปปาติกะที่อยู่ในภูมินั้นล้วนแล้วแต่มีนิสัยอันตรพานทั้งสิน้นเราซึ่งมีนิสัยอย่างเดียวกับเขาก็จะต้องได้รับความลำบากความทุกข์ทรมานจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและในทรรนองเดียวกันถ้าหากในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคนที่มีนิสัยเมตตากรุณามีฮิริโอ ต, ต ป, ปะความละอายเกรงกลัวต่อบาป มีความยุติธรรมเมื่อตายแล้วเราก็จะไปอยู่ในภูมิที่มีอุปนิสัยใจคออย่างเดียวกับเราครั้นแล้วเราก็จะได้รับความสุขโดยประการต่างๆเพราะเหตุที่ได้อยู่ร่วมกับคนดีพ่อฤาษีได้อธิบายให้ฟังอีกว่าหลักใหญ่ๆของเรื่องโย ม, มาบาลเรื่องนอรกแล้วเรื่องสวรรค์ก็มีอยู่ดังที่กล่าวมานี้ ทั้งนี้ท่านก็ได้เตือนไว้ด้วยว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นในหลักเหล่านี้จนเกินไปอย่าได้ถือเป็นหลักตายตัวเพราะเท่าที่กล่าวมานั้นเป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากของความจริงทั้งหมดตัวท่านเองถึงแม้จะสามารถไปสำรวจเมืองนรกเมืองสวรรค์ได้ก็จริงแต่ท่านก็มีความรู้จํากัดไม่ใช่จะรู้อะไรทุกอย่าง ท่านให้ข้อเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเราจะเข้าไปสำรวจป่าแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่มีอาณาเขตของป่ากว้างขวางใหญ่โตมากความรู้เท่าที่บอกมานั้นเป็นเสมือนหนึ่งเราเพิ่งจะเข้าไปสำรวจชายป่าของแอฟริกาเท่านั้นยังไม่ได้เข้าไปในส่วนลึกของป่าสิ่งที่พบก็ยังเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ ย, ย, ยังไม่ใช่สิ่งประหลาดมหัศจรรย์แต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้ถามท่านอีกอย่างหนึ่งว่ามีบุคคลบางคนเชื่อว่าในเมืองนรกย ม, มาบาลจะต้องจดประวัติของคนที่ทำบาปเอาไว้ด้วยเรื่องนี้จริงหรือไม่ท่านบอกว่าความจริงคนที่เป็นหัวหน้าของภูมินั้ น, น, นส่วนมากสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่เข้ามาสู่ภูมิของตัวเองได้ทำกรรมอะไรมาบ้างความรู้อย่างนี้ ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องจดแต่ก็มีบางภูิเหมือนกันที่มีการจดบันทึกทางนี้ก็เนื่องมาจากความเคยชินสมัยที่เป็นมนุษย์เมื่อต้องการจะจำอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ชอบจดบันทึกเอาไว้และข้าพเจ้าได้ถามท่านอีกว่าถ้าสมมติว่า คนคนนั้นยังไม่ตายเขายังเป็นคนอยู่ท่านที่เป็นหัวหน้าในภูมินั้นๆจะสามารถทราบได้หรือไม่ว่าคนนั้นคนนี้ได้ทากรรมอะไรซึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงกรรมชนิดที่จะนําให้ไปเกิดในภูมินั้นๆท่านบอกว่าถ้ามีความสนใจก็สามารถจะรู้ได้เสมอเพราะว่า การกระทำของคนเรานั้นจะมีผลสะท้อนก่อให้เกิดปรากฏการขึ้นในภูมินั้นๆซึ่งหมายความว่าตนเองทำกรรมอะไรไว้และกรรมอันนั้นจะนำให้ไปเกิดในภูมิไห น, น, น, นมันก็จะมีปรากฏการเกิดขึ้นในภูมินั้นๆเสมอเพราะฉะนั้นโอปปปาติกะที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ดิจในยะหนึ่งคือผู้ที่เป็นโยมบาลในภูมินั้นๆ จึงสามารถที่จะรู้ได้สำหรับคำอธิบายของพ่อฤาษีดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นหลักที่แปลกจากที่ข้าพเจ้าเคยเข้าใจมาหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือหลักดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าไม่เคยนึกมาก่อนเลยแต่ก็น่าประหลาดพอท่านอธิบายถึงหลักเกณฑ์ต่างๆดังที่กล่าวมา ก็ทำให้ข้าพเจ้านึกได้ถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ซึ่งมีหลักอย่างเดียวกับที่พ่อฤาษีได้อธิบายพระสูตรที่ว่านี้ข้าพเจ้าได้นำมาเขียนไว้ในหนังสือพุทธวิทยาภาคสองซึ่งหนังสือที่ว่านี้ข้าพเจ้าได้พิมพ์มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วข้อความในพระสูตรนั้นมีดังต่อไปนี้เรื่องกรรม ที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้อันรอกระทําให้แจ้งแล้วรู้ทั่วถึงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตัวเองคือ 1. กรรมดำมีวิบากดำา 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมดำและขาวมีวิบากดํดำและขาวส กรรมไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากไม่ดำและไม่ขาวและยอมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเช่นไรเป็นกรรมดำมีวิบากดำดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายสังขารเวจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียน บุคคลนั้นย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนเมื่อเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนเช่นนั้นเขาย่อมกระทบกับพัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งการเบียดเบียนเมื่อเขากระทบกับพัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดําดำดูก่อนภิกูุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายสังขารวจีสังขารมนโนสังขารอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน เขายอมกระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนเขายอมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพเจ้าเหล่าสุภกินหะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาวบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเขาย่อมเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างเขาย่อมกระทบกับภาษะและเวทนา อันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยทั้งสุขและทุกข์ดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกวินิบาทบางพวกอย่างนี้และเรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาวและยอมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมกรรมใดเป็นกรรมดำมีวิบากดำกรรมใดเป็นกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมใดเป็นทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมอันประกอบด้วยเจตนาเพื่อที่จะละกรรมเหล่านี้กรรมอย่างนี้แหละเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาวและย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้แลอันเรากระทำให้แจ้งแล้วรู้ทั่วแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง